คนที่ไม่เห็นหัวคนอื่นไม่เห็นข้อดีคนอื่นยากที่จะมีอะไรไปสกิดเตือนถึงจะดูเหมือนฟังแต่อัตตาของเขาก็ไม่เก็บไปคิดทิ้งไว้ตรงที่ที่ได้ยินนั่นแหละต้องอยู่กับคนที่เอาแต่ตำหนิผู้อื่นเห็นคนอื่นผิดตัวเองถูกอยู่คนเดียวจะวางใจตัวเองและช่วยตักเตือนเขาได้อย่างไร คนที่มองแต่ความอยากของตัวเองเห็นแต่ความคิดของตัวเองให้ความสำคัญแต่ตัวเองในที่สุดจะไม่เห็นหัวคนอื่นไม่เห็นข้อดีคนอื่นอัตตาตัวเองมาก่อนข้อดีของตัวเองใหญ่สุดความรับรู้ของเขาจะเหมือนถูกห่อหุ้มด้วยเมฆหมอกอัตตาหนาทึบเกินกว่าจะแวกเข้าถึงตัวง่ายๆใครพูดอย่างไรถึงจะดูเหมือนฟังแต่อัตตาของเขาก็ไม่เก็บไปคิดหรอก ทิ้งไว้ตรงที่ที่ได้ยินนั่นแหละวางใจอย่างไรถ้าต้องเจอคนแบบนี้คนเราจะรักตัวเองพอใจในตนเองก็เพราะอยู่กับตัวเองแล้วเป็นสุขแต่ในทางกลับกันคนเราจะเกลียดตัวเองไม่พอใจในตนเองก็เพราะอยู่กับตัวเองแล้วเป็นทุกข์ตอนมองคนอื่นเอาแต่ใจ ให้บอกตัวเองว่าคุณกำลังเห็นคนที่เกลียตัวเองคนหนึ่งฉะนั้นเห็นใครเอาแต่ใจมากๆให้มองทะลุความน่ารังเกียจของเขาเข้าไปเห็นความดามืดหน้าอึดอัดภายในแล้วอาจสงสารเขาขึ้นมาได้ที่ต้องทนอยู่กับจิตคับแคบเหมือนอยู่ในห้องขังมืดดำแบบไม่มีกำหนดปล่อยจะช่วยเขาได้อย่างไร ถ้าเขาไม่เจอบทลงโทษชนิดรู้ซึ้งกับใจว่าเป็นผลมาจากการสำคัญตนผิดก็ยากที่จะมีอะไรไปสกิดเตือนครับเมื่อเขาโดนธรรมชาติทำโทษตัวงอพอจะรับฟังก็ค่อยๆพูดเหตุพูดผลดีๆตอนนั้นหรือคุณอาจช่วยแสดงความเห็นใจตอนเห็นเขาอึดอัดอยู่กับตัวเองประเภทนี้ต้องยอ่อทีละคำที่เข้าเป้าโดนใจดาไม่ใช่ครั้งละห ล, ล, ลายๆคำ จนเขาปิดกันหรือไม่รู้สึกอะไรเลย